หาบุคลากรหรือว่าจัดสรรที่จะไปนำธรรมะไปจัดสรรตามสถานที่ต่างๆยังไงคะคือตมาไม่ได้ทําเองนะเพียงแต่ว่าจับรมใช่ไหม<ช>แล้วก็ให้แพทย์พยาบาลหรือว่าคนที่มาลูกอบรมเนี่ยเขาไปทําของเขาเองกลุ่มนี้เป็นอาสาสมัครที่จะเข้ามาทําตรงนี้แต่ละชมรมของแต่ละหน่วย<ล> ง, งานของโรงพยาบาลใช่ไหมเจ้าค่ะส่วนใหญ่เขามีหน้าที่ของเขาอยู่แล้วคือโรงพยาบาลหลายแห่งตอนนี้เนี่ยเขามีหน่วยที่เรียกหน่วย p เพลาตีฟแคร์คือหน่วยการแพทย์แบบประคับประคอง เขาสนใจโครงการนี้ใช่ไหมเขาก็ส่งคนมามารับการอบรมแล้วก็อบรมให้3มวันใช่ไหมเบสิกสาวันนะสามวันเนื้อหาแล้วเจ้าค่ะเนื้อหาเนื้อหาพูดถึงเรื่องของภาวะจิตของคนใกล้ตายแล้วพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือทางจิตใจกับผู้ป่วยใกล้ตายแล้วก็มีการทําซ้อมเขาเรียกใช้บทบาทสมมุติสมมติว่าคุณเป็นผู้ป่วยใกล้ตายนะฉันเป็นพยาบาลนะจะพูดยังไงเออฉันเป็นญาติจะพูดยังไง เออเราก็มาสูบกันว่าพูดอย่างนี้ได้ผลไหมเ ม, มืม่อมีคนสาสิคนใช่ไหมสิบห้าคนเป็นคนไข้อีกสิบห้าคนเป็นญาติหรือพยาบาลแล้วก็จับคู่กันแล้วก็สลับกั น, น, น, กนแล้วเราก็มาสูดว่าพูดแบบนี้เป็นยังไงพูดแบบนี้นี่คนไข้สบายใจไหมหรือคู่ควรนี้แล้วคนไข้เครียดแล้วก็สูด แ, แล้วเราก็ไปเยี่ยมคนไข้ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ๆเช่นที่นครปฐมเอาพาทั้งกลุ่มนี้ไป<ช>ไปเจอคนไข้จริงด้วยใช่ แต่แล้เรามีอย่างอื่นด้วยเช่นมีการทําสมาธิเรามีมีการเล่าถึงความในใจปลดปรื้มความในใจเพราะเราพบว่าหลายคนเนี่ยที่เขาอบรมเนี่ยหลายคนก็มีเรื่องค้างขาดใจโอ้โหนี่ได้กับตัวคนอบร่มด้วยนะค่ะแล้สิ่งที่ค้างขาดใจเนี่ยมักจะหนีไม่พ้นเสียใจที่ไม่ได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพ่อให้กับแม่ให้กับย่าให้กับยายที่เขาดูแลเราตั้งแต่เล็กแล้วเขาจากไปโดยที่เราไม่ได้อยู่กับเขาหลายคนเขก็ได้าก็ได้พูด แล้วเขาสุขเขาเบาขึ้นการปฏิบัตินี้เราก็ทําเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วย mm hmm. คือเขาก็ได้ปลดเปื้องสิ่งข้างขาดใจแล้วเขาก็จะรู้ว่าสิ่งข้างกายใจเนี่ยมันสาคัญเมื่อเขาจะไปแนะนำใครเขาก็จะแนะนําได้ถูก mm hmm. ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นการอบรมเพื่อเชิญความตายอย่างสงบแล้วเขาก็ไปทํางานเอาประสบการณ์ที่เขาได้รับเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันคนที่มานี่ไม่ได้มี แ, แพทย์โรงพยาบาล เป็นคนทั่วไปซึ่งเขามีพ่อมีแม่มีญาติที่เขาป่วยอยู่คนข้างนอกก็เข้ามาอบรมได้แล้ ว, ลวเมื่อไหร่ที่จะมีการเปิดอบรมรนะคะระยะเวลามีทุกเดือนก็เปิดเรามีเว็เเเเ บ, บไซต์ d o w b w e u d e t b u n e t b u d u d n e t info นะค ะ, ะก็จะบอกว่ามีกิจกรรมอบรมหรือโทรไปที่เครือข่ายพ้ทิกาได้ไหมจ๊ะตรงนี้ก็เป็นศูนย์กลางเลยเซมสิขาไลท์ก็เป็นผู้จัดร่วมกับ หลวงพ่อจะขายแล้วหนังสือที่หลวงพ่อเขียนเกี่ยวกับเผชิญความตายอย่างสมบเนี่ยนะคะหลวงพ่อพูดไว้ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยอยากให้คนใน ป, ปัจจุบันเนี่ยรู้จักการปฏิบัติที่ดีเพื่อเตรียมตัวตายตัวเองไว้ก่อน ก่นที่จะถึงวินาทีนั้นที่จะมาถึงเนี่ยจะดีกว่าที่แต่เพิ่งมาบอกกันตอนที่จะใกล้ตาย<ช><ช>นะคะหลวงพ่อแนะนําไว้อย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะ่ะ<ช>ว่าปฏิบัติก่อนยังไงก่อนแต่ว่าโครงการที่หลวงพ่อจัดอบรมเนี่ยเป็นโครงการที่โยมเองสนใจแล้วโครงการนี้มีไหมคะที่ประสบการณ์ตายก่อนตายอะค่ะประสบการณ์ตายก่อนตายนี่เป็นก็เป็นเรื่องของการนําเอาแนวคิดเนี่ยไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ตายก่อนตายเป็นทังว่าตายจากกิเลสหรือตายจากความยึดถือในตัวตนก่อนที่จะตายจริงๆในทางร่างกายพู้อาตมาตายจากตัวตนตายจากกิเลสซึ่งไอ้คํำนี้นเป็นคําของท่านอาจารพุทธทาสที่ท่านได้พูดเอาไว้เราก็ในการอบรมนี้เราก็ได้พูดด้วยว่าเราควรฝึกการตายก่อนตายเช่นเตรียมตัวตายหรือฝึกตายในขณะที่เรายังห่างไกลจากความตาย เราจะฝึกตายก่อนนอนหรือว่าฝึกตายในชีวิตประจําวันก็ทําได้ฝึกตายก่อนนอน<ม>ก็เช่นว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราจะต้องตายในคืนนี้ร่างกายของเราที่เคยอุ่นก็จะแข็งเย็นใช่ไหมลมหายใจที่เคยเข้าก็จะหลุดจากร่างไปมันต้องกลั้นลมหายใจไหมเจ้าคะน้องฝนเรานึกภาพใช่ไหะแล้วเราต้องพลากจากทรัพย์สมบัติพราดจากลูกหลานพรากจากงานการเรารู้สึยอย่างไง ใช่ไหมเราพร้อมทจะปล่อยวางได้ไหมเราก็จะฝึกให้รู้จักก็ปล่อยวางนะฝึกคือฝึกตายก่อนที่จะตายจริงนี่คือขณะก่อนนอนถ้าเราเราตายท่านอนแล้วเราจะมีอารมณ์อย่างนี้เนี่ยคิดถึงเรื่องอะไรบ้างและจะปลดปล่อยตรงนั้นยังไงใช่ซึ่งหลายคนเนี่ยบอกว่า้เรื่องทรัพย์สมบัติปล่อยได้แต่ที่ปล่อยได้ยากคือเรื่องลูกเรื่องคนรักพ่อแม่สาหรับคนที่ยังไม่มีครอบครัว เราเขารู้เลยว่านี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาของเขาซึ่งเรต้องแก้ไขแต่ว่าเขาก็จะรู้ว่าเออต้องฝึกทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งพร้อมที่จะปล่อยได้เพราะว่าถ้าเกิดคนไรต้องตายจริงๆเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะมาเตรียมตัวมากเท่าไหร่หรอกเราต้องพร้อมที่จะปล่อยได้ทันทีและการฝึกเป็นทิศสัยทําอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะก่อนนอนแต่ควรจะรวมถึงการเช่นขึ้นรถลงเรือก็ให้นึกว่าเนี่ย น, นี่อาจจะเป็นการเดินทางาครั้งสุดท้ายของเราจเจริญมรณะสติตลอดคราวนี้ก็เริ่มจัดทีขึ้นและไม่ได้แค่เฉพาะช่วงเวลาคราวนี้เราเระลึกตลอดเพราะนั้นไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุช่วงไหนถ้าฝึกได้อย่างนี้เนี่ย <c oughs> สติมันมามันจะคุมสถานการณ์ตรงนั้นเราจะรู้เลย ว, ว่าจะน้อมจิตไปที่ตรงไหนในขณะนั้น <c oughs> ซึ่งถ้าใช้วิธีอย่างท่านอาจารย์บูธทานเนี่ยก็จะนึกไปถึงกระทั่งว่าไม่นึกถึงตัวตนปล่อยวางตัวตน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 อีกกลุ่มหนึ่งปฏิบัติมากกว่าคนที่แนะนำเนี่ยนะคะการแนะนำเนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็เน้นควรจะเน้นอะไรในแต่ละกลุ่มนะเจ้าคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนเขต้องนำไปไประยุกเองนะแต่เราก็จะบอกเป็นขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ว่าให้ค่อนเนื่ถึงมรณะสติอยู่เสมอในชีวิตประจำวันก่อนนอนหรือว่าในขณะที่เขาเดินทางในขณะที่เาอ่านหนังสือพิมพ์ได้เห็นข่าวอุบัติเหตุศกนาฏกรรม แต่ที่จะเห็นแล้วเนี่ยนึกว่าเป็นเรื่องคนอื่นน้องเข้ามาใส่ตัวว่าเนี่ยถ้าเป็นเราถ้าเป็นญาติของเราเราจะทำอย่างไงใหม่ๆก็จะกลัวบางบอกนะอย่าไปคิดอย่าไป ค, <น>คิดใช่ไหมในทางพุทธศาสนาถือว่าการทําเช่นนี้เนี่ยเป็นการเตรียมในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหรก็ได้ถือเป็นธรรมะข้อหนึ่งที่<ช> ด, ดีมากแต่เราน้าสติต้องเจริญเสมอเป็นธรรมะเพราะเป็นเรื่องอัปมาท ธ, ธรรมซึ่งถือว่าพระเจ้าถือว่าเป็นธรรมที่ครอบคลุมธรรมะทั้งปวง S <S นะเหมือนกับรอยเท้าช้างเนี่ยครอบคุมรอยเท้าสัตว์ตวปลาทั้งหลายอภิมาต ธ, ธรรมเนี่ยก็เป็นธรรมะที่ครอบคุมธรรมะ ท, ทุกข้อแล้วก็มราณาสติคือการเจริญอภิมาตธรรมนั่นนี่ ค, คือแบบคนทั่ ว, ว, วไปใช่ไหมฮะคราวนี้สาวคนที่ทําอยู่เป็นประจําแล้วเนี่ยเราก็ให้นึกเขาตอไปว่าถ้าเกิดว่าความตายมาแบบกระทำหันเนี่ยอุบัติเหตุรถชนเครื่องบินตกหรือว่าเกิดระเบิดอะไรขึ้นมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งเกิดเหตุกระทำหันอย่างซึนามิเนี่ยเราจะนึกถึงอะไร ในช่วงเวลาแค่หหรือ2อสวินาทีที่ยังรู้ตัวล้วก็ฝึกไปถึงขั้นว่าไม่ใช่เพียงแค่นึกในสิ่งที่เป็นกุศลเท่านั้นแต่เราน้อมนึกไปถึงเรื่องการปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงไม่มีตัวตนที่เป็นผู้ตายไม่มีไปพ้นจากความรู้ว่าฉันตายตรงนี้เนี่ยมันก็ยากขึ้นมาอหน่อยใช่เพราะฉันตายเนี่ยมันมียังมีฉันชอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าเหนือความตายคือไม่มีผู้ตาย ไม่มีฉันผู้ตายนะและไม่มีเรื่องทังความตายเพราะมันเป็นเป็นแค่การเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสภาวะอันนี้เราก็มาต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมอย่างต่อนเนื่องอย่างที่พูดเนี่ยคือเราไม่ต้องมาเตรียมตัวตอนใกล้จะตายแต่เราต้องเตรียมให้เป็นส่วนของชีวิตคือการปฏิบัติธรรมเรื่อ ง, งแต่การทําความดีสร้างสิ่งที่เป็นกุศลก็เรื่องอย่างละชั่วทําดีแล้วก็ทําจิตให้บริสุทธิ์การเจริญอสติปทาน และการพิจารณมามนุษยสติอย่างต่อเนื่องจงกนกระทั่งว่าถ้าสามารถตายจากความยึดถือในตัวตนไดน้มันก็เรียกว่าเหนือความตายอย่างสิ้นเชิงพรอาจารย์ครคนที่เขาใกล้จะหมดลงเนี่ยค่ะส่วนใหญ่อายตนะที่เขาดับก่อนนี่คือส่วนไหนคะถ้าพูดแบบที่เบนเขาอธิบา ย, ยานี้ว่ามันจะเป็นไปตามลําดับของธาตุคือธาตุดินธาตุดินเริ่มไปก่อนก็คือหมดแรงไม่มีเรื่อไม่มีแรงเดินเดินไม่ได้ นั่งไม่ได้ยืนไม่ได้ต้องนอนร่างกายผายผอมนะทัดน้ำน้ำเริ่มแปรปรวนน้ํามูกน้ําตาเยอะคอแห้งบางทีอุจจาะปัสสวะไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะเพราะว่าไอ้กล้ามเนื้หูรูนมันอ่อนซึ่งมันเกี่ยวธาตุดินดินแล้วก็น้ําแล้วก็ไฟไฟก็เริ่มเย็นไฟถ้าเริ่มแตกดับคือว่าเริ่มเย็นบางทีก็ร้อนมากอะไรเงี้ย ล้มลมนี่อันสุดท้ายแต่ไม่ใช่ว่าลมหมดแล้วไฟไม่มีนะไฟก็ยังมีอยู่เฉ่ไห <Okay. S 1> แต่ว่ามันหมดสภาพของของการยังชีวิตให้เป็นไปได้แล้วดินน้ําไฟลมอันนี้พูดถึงทั่วๆไปนะคนตายไปธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้น <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดคนตายไปอุบัติเหตุหรือว่าตายไปไม่เป็นธรรมชาตินี่ก็อีกแบบคราวนี้เนี่ยธาตุดินก็สมมติการเห็นเห็นตอนแรกก็จะเริ่มการเห็นก็จะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วตาฝ้าฟางต่อมา การได้ยินก็จะไม่ค่อยได้ยินแล้วต่อมาก็จะเป็นการได้กลิ่นก็จะไม่ค่อยได้กลิ่นแต่ยังสัมผัสรู้ตัวใครมาสัมผัสก็รู้ตัวยังรู้สึกได้แต่ถึงสุดท้ายนี่แม้กระทั่งสัมผัสก็ไม่รู้แล้วนี่นี่เป็นการอธิบายแบบที่เบสซึ่งเขาตะมาคิด ว, ว่ามันก็ใช้ได้ทั่วๆไปกับคนป่วยส่วนใหญ่เขาบอกว่าแม้หมดลมแล้วเนี่ยก็จะเป็นการแค่การตายในทางกายแต่ว่าจิต ยังต้องมีการผ่านกระบวนการแตกดับเมื่อผ่านกระบวนการแตกแล้วจนจบแล้วถึงจะลดตายอย่างสิ้นเชิงถ้าหมดลมยังไม่เห็นว่าตายนะใช่เพราะบางคนมีฟื้นกลับขึ้นมาอีกอะเจ้าค่ะอันนั้นก็ด้วยก็แสดงว่าถ้าดินน้ํำไฟลมยังไม่แตกดับอย่างสิ้นเชิงคือพวกนี้ไม่ได้ตายแบบเกิดอาการมเป็นธรรมชาติแต่ว่าอาจจะเกิดจากหัวใจหยุดเต้นเกิดจากอุบัติเหตุค่ะแต่นี้หลายๆคนไะม่ทราบนึกว่าตายไปแล้วจริงๆ ทีนี้พอนึกว่าตายไปแล้วจริงๆบางครั้งกลุ่มพวกนี้กลับขึ้นมาได้แต่เกิดไปฉีดยาชทําให้เขากลับมาไม่ได้แล้วเพร<ช>ดนยาเข้าไปแล้วค่ ะ, <ฮ>ะพอมาปฏิบัติแล้วจะเห็นว่าผู้นักปฏิบัติที่ไปเองไปอย่างสงบหลับตายอย่าง ม, ม, มีไม่ชีรูปหนึ่งนะเจ้าค่ะที่ัลไปไม่นานเนี่ยหลับไปเนี่ยหลวงพ่อไม่ให้ฉีดยาไม่ทําอะไรเลยเพียงแต่เช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบน้ำนะะแล้วก็แกก็หลับมนคนหลับสบายแล้ว จากนั้นก็สวดไปเจ็ดวันไว้ในถโรงเย็นพอวันที่เอาออกมาเผาเขาก็ยกศพออกมาเพื่อที่จะวางผ้าไกรทอดบนบนศพเลยนะคะตัง้งยี่สิบกับไตรสามสิกับไตรปรากฏว่าหน้าเธอเป็นสีชมพูหลวงพ่อหน้าเป็นสีชมพูสวยกับไอวั น, นละทีาบางครั้งไม่เอาเข้าห้องเย็นนี่ไม่แน่นะ รอลดน้ํำเนี่ยพ่อไปขอจับที่ปัวหน้าผากยังอุ่นอยู่เลยขนาดแกละไปตั้งแต่เช้ามืดนะคะลดลดน้ําอาสี่โมงเย็นแล้วอะค่ะหน้าผากยังอุ่นอยู่เลยโยกับพระอาจารย์ยังไม่ได้ตอบอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือในกรณีที่ผู้นั้นปฏิบัติได้สูงกว่าเราไม่ถึงเป็นอาญาอาจจะไม่ใช่อายะแต่ว่าปฏิบัติธรรมะเนี่ยเขามากกว่าเราแล้วตรงนั้นเนี่ยเราควรจะเข้าไปในลักษณะยังไง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 ให้ถือว่าท่านกำลังมาแสดงธรรมครั้งสุดท้ายให้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราน้อมรับธรร ม, มานั้นด้วยใจที่มีสติไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจแล้วก็เราลึกว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะให้เป็นเครื่องเตือนใจว่าเรามีความพร้อมหรือ ย, อยังในการที่จะน้อมรับความตายแล้วขณะเดีวยวกันการที่เราทำเช่นนั้นเนี่ย ก็ทำให้ใจสงบและความสงบของเราเนี่ยก็จะแผ่ออกไปสร้างบรรยากยาศแห่งความสงบให้แก่ผู้อื่นซึ่งอาจจะยังทำใจไม่ดีพอเขาก็จะพลอยรับความสงบด้วยอันนี้สำหรับท่านที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็คงไม่ต้องการการชี้แนะอะไรจากเราแต่เราควรจะน้อมรับหรือเปิดใจรับเอาธรรมะจากท่านในฐานะที่เป็นสื่อแสดงธรรมขั้นสูงสุด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 บอกสนิดเหมือนเรากําลังทําสมาธิอ่ะอยู่ๆอีกคนมาเธอแบบมันสะ ด, ดุ้งนึกนึกถึงเรารอเองเนีนน่ยต้องค่อยๆสําหรับตัวโยมเองก็คิดว่าตรงนี้ก็สําคัญในการที่จะเข้าไปเข้าหาหารืออะไรอย่าไปคิดว่าท่านหลับอยู่หรืออะไรหรือแม้แต่คนปกติก็เหมือนกันนะเจ้าค่ะทาไมบอกเขาบางครั้งเขากําลังกําหนดพุทโธบางคนบอกเขากําลังกําหนดอยู่แล้วพุทโธอยู่อ่ะไม่ต้องมาบอกอะไรเขามากมายอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องเป็นความสังเกตของคนที่จะเข้าไปด้วยอะเจ้าค่ะคือคนที่ต้องทุรนทุรายมั้คะเช่นเราจะต้องไปบอกทางคนที่สงบอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องบอกหรื อ, อยังไงคะก็ช่วยก็ดีอันนี้หมาถึงคนทั่วไปน ะ, ะถ้าเราช่วยเป็นกำลังใจให้กับเขาหรือว่าช่วยเตือนสติให้กับเขาก็จะดีและที่จริงมันก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วย <คน S 3> ที่อยู่ด้านล้อมนะเพราะว่า การช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างสงบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วยผู้ตายอย่างเดียวหรือช่วยคนไข้อย่างเดียวแต่ว่าเป็นการเยียวยาของผู้ที่ยังอยู่ด้วย<ช>ทําให้เขารู้สึกเขาได้พิจารณาและจิตใจเขาเกิดความสงบและขณะเดียวกันเขาก็ได้เกิดความน้อมนึกในสิ่งที่เป็นกุศลด้วยมันเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายแล้วตอนนี้อย่างในหลักการที่พระอาจารย์ว่ามา สิ่งที่ท่านเน้นข้อแรกเลยที่เห็นบอกปลดเปลืองสิ่งค้างคาใจแล้วก็ถ้าระดับหนึ่งที่สูงขึ้นไปคือให้เขาปล่อยวางให้ได้อนอกจากที่ท่านบอกว่านอกจากนั้นให้น้อมนึกถึงสิ่งที่ดีที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยูใ่ในหลักการในโครงการของท่านเลยและที่ข้อหนึ่งที่ท่านจะเขียนเอาไว้คือในกลุ่มพวกนั้นต้องให้ความรักแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจตรงนี้สาคัญสาหรับคนใกล้ตาย ใช่เพราะว่าคนป่วยเนี่ยนะที่จริงไม่ใช่เฉพาะคนใกล้ตายเดี๋ยคนป่วยป่วยหนักเขาไม่ได้แค่ป่วยกายเขาป่วยใจพอคนไม่ยอมรับอ่ะมันยังยอมรับความตายก็ไม่ได้จ้ะค่ะอันนี้แหละที่เราเรียกว่าความป่วยใจที่จริงมันเป็นกับทุกคนนะเราป่วยเนี่ยปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นวัดนะเราไม่ได้ป่วยกายเดี๋ยวเราป่วยใจป่วยใจหมายถึงอะไรหมายถึงความกังวลความเครียดความกลัว ความหงุดหงิดรวมทั้งความโกรธแล้วคนที่ปว่วยหนักหรือผู้ป่วยรยสุดท้ายเนี่ย ก, ก็จะมีอาการตรงนี้มากบางทีมันอาการมันมากกว่าเรื่องของของกายสิเราคงได้ยินนะคนที่หมอบอกว่าปว่าปวยหนักเนี่ยก็ยังอยู่ได้นะแต่พอหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะคุณจะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนก็จริงๆค่ะปรากว่าสิบสองวันก็ตายแล้วแเดียวเลยค่ะจากกาลังดีๆสุ ไอ้ที่ทำให้ตายนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มใชลมมะเร็งนะเพราะลมมะเร็งเนี่อีกสามเดือนแต่ว่าใจพระอาจารย์ว่ามันมีบอกว่าจะให้บอกไหมว่าคนนี้เป็นอะไรจะบอกอไหมว่าคนนี้เป็นมะเร็งไหมจะบอกเ้าตอนไหนดีนะคะอันนี้ก่อนที่ถึงตอนนั้นเนี่ยพูดเรื่องความรักก่อนเอาความรั ก, กเพราะว่าคราวนี้คนเราป่วยใจเนี่นะความกลัวกลัวว่าจะตายคนเดียวตายโดยที่ไม่มีใครอยู่กลัวว่า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 จากคนไข้เขาจะเบาก็าจะสบายมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะมันไม่มียาอะไรที่จะช่วยเขาได้แต่เป็นสิ่งเดียวที่ญาตเนี่ยสามารถจะทําได้ดีดีกว่าหมอและพยาบาลคือการให้ความรักให้ความมั่นใจแก่คนไข้เพราะว่าเราจะอยู่กับเขาอย่างถึงนาทีสุดท้ายและเราจะเป็นเพื่ อ, ขอเขาโดยที่เราไม่สวรเป็นภาระแก่เขาสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องพูดให้ไผ่ร้อง แตทำด้วยการกระทําด้วยแววตาด้วยการสัมผัสที่นุ่มนวลแล้วก็ด้วยความอดทนต่ออารมณ์ของเขาอันนี้สําคัญมาก เ, มเพราะว่าคนไข้เนี่ยเขาจะกลายเกี่ยวทำไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นทําไมไม่เป็นคนอื่นความรู้สึกว่าเขาเปเรื่องความเป็นธรรมเขาทําความดีมาตลอดแต่ทําไมถึงเป็นชั้นนี่คือปัญหาข อ, ของคนไข้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะแสดงออกมาด้วยความโกรธความหุดห ง, งิดแต่คราวนี้ถ้าเกิด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 ดีขึ้นเขาจะเจ็บปวดน้อยลงเพราะถ้าเขโกรธเนี่ยเขาจะปวดน่วนปวดนี่นสารพัดปวดทัวร่างกายมีอาการทุรนทุรไลแต่พอเรามีความรักกับเขาเนี่ยเขาจะเย็นลงสงบลงนี่ข้อที่หนึ่งซึ่งแสดงด้วยการสัมผัสด้วยแววตาและที่สําคัญคือบางคนเนี่ยเนื้อตัวเขาไม่น่าจับอ่ะเราญาติไปแสดงความรังเกียจอย่างที่เห็นในโลกเอส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 ก็พูดไม่ได้คนไข้เขาจะพูดเรื่องลึกๆเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะพูดไม่มีโอกาสเปิดเปลองสิ่งค้างขาดใจการที่ทำให้เขาเนี่ยยอมรับความจริงเนี่ยไม่ทำให้เขามีเวลาเตรียมตัวสำหรับงานการภายนอกเรื่องธุรกิจเรื่องบริษัทเรื่องมรดกแล้วก็งานการภายในคือเตรียมใจแต่ว่าการที่จะพูดให้เขาได้รู้ ว่าเวลาเขาอยในโลกนี้ไม่นานเนี่ยก็ต้องมีวิธีการอยู่ดีไปพูดว่าป้าป้าเป็นมะเร็งนะป้าอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนนะนี่คือการฆ่าเขาทางอ้อมแล้วก็มักจะเกิดขึ้นเพราะว่าหมอหรือพยาบาลส่วนใหญ่ไม่จะเกิดขึ้นกับหมอไม่มีศิละปะวิธีการเนี่ยนะอันที่หนึ่งก็คือว่าต้องค่อยๆหยอดค่อยๆพูดแล้วก็ประเมินเขาไปนในตัวเช่นว่าป้าโรคที่ป้าเป็นนี่ มันรักษายากนะตอนนี้ยังไม่มียารักษาเอาเริ่มเริ่มดูแล้วก็ <ๆ S 2> เราดูเขาคิดยังไง เ, เขาลูกสิษย์ยังไงใช่ไหมค่อยค่อยยอยเขาได้เตรียมใ จ, จแล้วก็เป็นโอกาสประเมินว่าเขารับความจริงได้แค่ไหนแล้วก็บอกว่าไอ้โรคที่รักษานี่มันรักษาได้ยากนะแต่ว่าเราก็จะพยายามเต็มที่ถ้าเขาทําใจได้บ้างแล้วเนี่ยก็จะพูดต่อไปว่าไอ้โรคนี้เนี่ยตอนนี้ไม่มียารักษาเลยใช่ไหมแต่ว่าทางหมอและพยาบาลก็จะ พยายามช่วยดูแลป้าอย่างเต็มที่แต่วเขาเรื่องยอมรับได้มากขึ้นก็จะบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นมะเร็งนะแต่ก็ต้องพูดให้เขามั่นใจว่าหมอพยาบาลก็จะช่วยเขาเต็มที่จะช่วยให้เขาได้อยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตด้มากที่สุดคือเนี่ยมันก็ค่อยพูดอาจจะถามเขาเตียงโน่นเขาก็ เ, าเป็นมะเร็งนะแล้วประเมินดูว่าตัวคนไข้ของเรานูสื่อย่างไง คือบางทีการถามถามไม่ว่าเนี่ยเตรียมใจไว้บ้างไหมหรือไม่ลองดูซิว่าัศนคติต่อความตายของเขาเนี่ยเขาคิดยังไงอแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้ป่วยรายสุดท้ายนะถึงหมอพยาบาลไม่บอกเขาวันนี้เขารู้ได้เขารู้จักอาการปฏิกิริยาของญานิมิตของพยาบาลเช่นตาเริ่มแดงๆหมอเนี่ยเริ่ม มาประเดี๋ยวประดาจก็ไปหมอจะไม่รักษาละแล้วลหมอเนี่ยจะมาแบบหมอแบบมาปุ๊บไปปับ๊บทําไมเป็นอย่างนั้นหมอหลายคนบอกว่ากลัวว่าเขาถาม <c oughs> ก็ไม่อยากโกหก <c oughs> แต่ถ้าอยากตอบกอ็อกตอบไม่ได้ใจนะว่าทําไมคุณหมอมาเล้วร <c oughs> ีบ ไ, ไปหมอรีบกลัวโดนถามแล้วก็ตอบไม่ได้คนไข้เขาก็รู้เขาอยูนเตียงยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยเขาตื่นมาว่าสักสิบสองชั่วโมงเขาสังเกตปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไป ของญาติมิตรของพยาบาลแล้วเขาอาจจะคิดว่าญาติญาติคงยังรับเรื่องนี้ไม่ได้ว่าเขาจะตายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่พูดเข้อา จ, จะยอมรับได้แต่เขาไม่กล้ายกประเด็นนี้ขึ้นมาคุยว่าถ้าฉันตายจะทํำยังไงกันดีสั่งเสียยังไงมรดงไนไม่กล้าพูดเพราะเห็นญาติญาติเนี่ยทําท่าจะไม่อยากพูดเรื่องนี้คือผู้ใหญต่างคนต่างคิดแทนกันญาติก็คิดว่าคนไข้เนี่ยคงยอมรับความจริง <S <S <ปะ S 1> ไม่ได้ ส่วนคนไค้ก็บอกว่าญาณนี่คงจะทําใจไม่ได้เพราะฉันก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้บางทีตายแบบที่ว่ามีเรื่องอย่าพูดแต่ไม่พูดนี่นต่มาคิดว่าเรื่องการทําให้เขาเหยียละความจริงสําคัญแต่ว่าอันนี้มันต้องมีวิธีการพูดถ้าพูดไม่เป็นเนี่ยอย่าพูดดีกว่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสามัญสํานึกนะลองนึกว่าถ้าลราเป็นเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรบางทีอย่าไปนึกว่าต้องอาศัยคนที่มีวาจาไพเราะ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 แต่ว่าถ้าตรงนี้ยังพูดกับเขาไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยก็ให้เขานึกถึงสิ่งที่ดีงามการที่ช่วยให้เขาน้อมนึกถึงสิ่งที่ดีงามเนี่ยอย่างที่อาจารยได้พูดยกตัวอย่างมาเนี่ยมันจะช่วยทําให้เขาได้จิตใจเกิดเป็นกุศลจิตใจเกิดความรู้สึกสงบมากขึ้นและถ้าเขามีเรื่องค้างคาใจอะไรก็พยายามช่วยเขาปลดเปื้องสิ่งค้างคาใจอย่าไปทําให้เขาเกิดความกังวลเพิ่มเติมไปล่องหง่มล่องห้ต่อหน้าเขาหรือว่าไปทําให้เขาร Lip ู้สึกว่า ถ้าเขาตายไปก็จะสร้างความทุกข์ให้แก่คนอื่นจะทําทให้เขาเสื่งมันให้เขาเสือว่าถ้าเขาจะตายคนหนึ่งก็จะอยู่ได้คนหนึ่งก็จะไม่ทําให้เขาเป็นห่วงแต่ไอ้การผัดพลากอะค่ะมันภาวะจิตตรงนั้นมันทําให้เหมือนเรื่องใหญ่มากกว่าทุกสิ่งอย่างเลยคือทั้งญาติแล้วก็ผู้ป่วยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องฝึกอยู่เสมอในชีวิตประจําวันพิจารณาเมตตาสติอยู่เสมอ อย่าไปเตรียมตัวเอาเมื่อเกิดเหตุายกับเราหรือกับคนรักของเราแล้วถึงค่อยมาเตรียมอันนี้เรียกวประมาทใช่ไเราควรจะเตรียมควรจะระลึกนี่อยู่เสมอการไปงานศพของคนที่เราลักคนที่เราเคารพเนี่ยก็เป็นเครื่องเตือนใจเราว่าสวรรค์นหนึ่งคนรักของเราก็จะเป็นอย่างนั้นและเราก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยไปงานศพแทนที่จะเอาแต่คุยกันเนี่ยให้เราเปิดใจน้อมนึกน้อมรับธรรมะจากผู้ตาย มันก็ทําให้เราเกิดความขวนขวายแต่ต้อมาให้คิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยโดยเพราะเวลาเราประสบสิ่งไม่พึงปรารถนาเนี่ยขอให้เรายมถึงเรื่องความตายในช่วยได้เช่นเงินหายร้อยบาทคนก็ทุกข์ทรมานเสียใจแต่เราลองนึกซะว่าโอ น, นี้ยังดีนะเพราะต่อไปเราต้องเจ อ, อยิ่งกว่า น, นี้ถ้าเราตายเนี่ยเรามีร้อยล้านเราก็หมดร้อยล้านเรามี10บล้านเราก็หมดทั้ง10บล้านเลย เราจะรู้แล้การที่เงินหายร้อยบาทพันบาทห0ื่นบาทหรือล้านบาทเนี่ยเป็นเรื่องจีบจ้อยไปเลยเวลาเรานึกถึงความตายเพราะความตายมันคือสุดยอดของความพัดพลาดเวลาเจ็บเวลาปวยเราลองนึกสิโอถ้าเราตายเนี่ยถ้าเราป่วยหน่อนี่ใกล้ตายเราจะเจอยิ่งกว่านี้นะให้เราถือว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเป็นสัญญาณเตือนเป็นอนิจจังซึ่งมันมีความตายเป็นที่สุดและขณะเดียวกันเป็นการเตือนหรือเป็นบททดสอบว่า ถ้าเราแค่นี้เรายังไม่ผ่านเนี่ยแล้ว เ, เราจะทํำยังไงเมื่อเราเจอความตายของเราเองหรือของคนที่เราหลักถ้าเรานึกแบบนี้เนี่ยเงินหายถูกตําหนิถูกวิจารณ์ตกงานเนี่ยมันกลายปเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเพราะมันเทียบไม่ได้กับความตายที่เกิดขึ้นกับเราหรือกับคนรักของเราเคิดอย่างนี้นะมันช่วยทําให้เราเนี่ยหเราก็จะตระหนักชัดถึงความไม่ที่ของชีวิตมากขึ้น 2. เราก็จะมีภูมิต้านทานต่อความพลาดพลากสูญเสีย ซึ่งจะทำให้เราเนี่ยพร้อมรับมือกับความตายได้ได้ดีขึ้นไม่ใช่ไปเตรียมตัวตายเอาตอนเกิดเหตุร้ายแล้วแล้วสมัยเนี้ค่ะจะมีความเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ควรจะแนะนําเขายัางไงคะเราไปถีงกับเขาอย่างนี้เนี่ยก็คงจะยากนะ <S <S แต่ให้เขานึกว่าให้เขาตระหนักว่าคุณจะเชื่อว่าตายแล้วศูนหรือไม่ก็ตามเนี่ยแตอย่างน้อยเนี่ยตายอย่างสงบเนี่ยดีไหมทุกคนเราทั้งเราก็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 แต่ถ้าเขาเห็นว่าการตายอย่างสงบเป็นของดีเขาก็จะเห็นความสําคัญของการฝึก mm hmm. เตรียมใจทําความดีไม่ทําความชั่วสร้างกุศลเพราะสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานที่นําไปสู่การตายอย่างสงบอาตมาคิดว่าเราเอาตรงนี้ก่อนใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นว่าจะต้องไปย้ําหรือไปทําให้คนเชื่อเรื่องนี้เสมอไปอย่างเช่นก็พระองค์เคยตรัสว่าถ้าหากว่า เชื่อเรื่องชาติหน้าแล้วเราทําความดีเราก็ย่ำได้ความสุขทั้งในชาตนี้แล้วก็ชาติหน้าแต่ถ้าชาติหน้าไม่มีการทําความดีของเราก็ทําให้เรามีความสุขในชาตนี้อย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ได้ประโยชน์หนึ่งชั้นแล้วแต่ถ้ามีชาติหน้าก็ได้ประโยชน์อีกชั้นหนึ่งคือได้ไปสู่สุคติในชาตหน้าเพราะฉะนั้นไม่สมควรหรือที่เราจะทําความดีถึงแม้ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องชาตาก็ตามเพราะยังไงสุดในชาตินี้ ก็ยังได้รับประโยชน์จากการทำความดีไว้แล้วพระเจา้าอธิบายเงี้ยใช่ไหมคือท่านไม่ต้องมาเสียเวลาที่บ้าต้องมีชาติหน้านะคนที่จะทำความดีถึงแม้คุณไม่เชื่อคุณทําความดีชาตินี้คุณก็ได้ประโยชน์อย่างแน่นอนเรื่องการเตรียมตัวตายก็เหมือนกันคุณไม่ไม่ต้องเชื่อเรื่องชาตนาแต่มีหลักประกันแล้วถ้าคุณเตรียมตัวดีคุณจะไม่ทุรนทุรายคุณจะตายสงบซึ่งธรมะคิดว่าเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็ต้องการตรงนี้คือตายอย่างสงบเพราะว่าเห็นคนทุรนทุรายแล้วมันน่ากลัว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 ถ้าเรามีศีลดีเนี่ยอย่างน้อยเราก็มั่นใจได้ว่าเราไม่ได้สร้างความชั่วเรามีกุศลเป็นเครื่องหนุนเนื่องชีวิตเราอันนี้การเจริญสติอยู่ในฝ่ายสมาธิก็คือทําให้จิตเรานี้มีมีสมาธิมีสติดีซึ่งเท่านี้เนี่ยมันก็พอจะเป็นหลักประกันได้แล้วว่าเราจะสามารถรเผชิญกับความเจ็บปวดได้ไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาแต่ท้ายดียิ่งกว่นั้นก็คือเจริญปัญญา ให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของชีวิตแม้กระทั่งว่าไอ้ตัวตนไม่มีอยู่จริงสามารถเทียบไปพ้นจากความยึดถือในตัวตนในตัวฉันของฉันได้ถ้าถึงตนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตายสงบนะแต่จะเป็นการตายอย่างสว่างก็คือว่าสามารถจะหลุดพ้นได้เลยมีพระอาหารหันต์หลายท่านเนี่ยในช่วงที่ท่านจะไปไม่ไปแหลเนี่ยท่านเกิดปัญญาและเห็นถึงความไม่จริ่งของสังขารจนกระทั่งท่านละวางสังขารได้ ท่าก็ปล่อยวางในชั่วที่กําลังหมดลมก็ เ, เรียกว่าตายทั้งทางกายและในทางจิตคือกิเลสหมดไปในพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้หยุดแค่ว่าตายสงบแต่เราต้องการทําให้เกิดการตายด้วยกิตที่สว่างคือเห็นปัญญาแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยทำไม่ได้ขั้นที่หนึ่งคือการทําความดีและวถ้าดีกว่านั้นคือว่าการเจริญกรรมฐานคือเจริญสติซึ่งไม่ทาให้เราเนี่ย สามารถที่เอาชนะความทุกข์ได้คือบางทีทำความดีเนี่ยมันก็ยังทุกข์เวลาเจ็บเวลาป่วยก็ยังทุกข์นะแต่พอเราฝึกสติดีเนี่ยหรือจเจริญสมาธิดีเนี่ยบางทีให้ความเจ็บความปวดทางกายเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้ยังมีรายหนึ่งเนี่ยแกเป็นเด็กอายุสิองเป็นโรคภ่มพวงไออแล้วก็แพ้อาเกิดการแพ้เพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายมันจัดกินเนื้อเยื่อในร่างกายจนทั้งไตาวาย ต้องมีการล้างไตฟอกเลือดพบาะว่าการรักษาบางทีก็ต้องมีการฉีดไปที่กระดูกสันหลังเด็กเห็นเข็มเนี่ยปวดได้รับความรู้สึกที่ไม่ดีออจากการรักษาไม่เข็มที่ฉีดเข้ากระดูกสันหลังมันยา ว, ยาวมากเจ้าค่ะปวดเจ็บร้องกรีด๊ดร้องกรีดเจอเข็มที่ไรจะเป็นลมให้ได้ร้องแต่ตอนหลังเนี่ยนะพอแกเริ่มโตขึ้นหนเป็นสาวเนี่ยหมอเนี่ย สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมหน่อยก็ชวนให้แกเนี่ยเรื่องปฏิบัติธรรมเดินจงกรมมีสติรู้ตัวปรากฏว่าพอเจอเข็มเนี่ยแกนิ่งได้นิ่งได้ื่อทีเห็นเข็มแทงไปเนี่ยไม่ได้เข้าสลังอย่างเดียวที่อื่นด้วยเนี่ยแกก็ไม่กลัวแล้วก็มีคาราวนึงเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไตปรากฏว่าแกแพ้อยาระงับปวดก็ปวดแล้วกระบม ทรมานมากหมอทำอะไรไม่ถูกเด็กคนนี้เนี่ยแกบอกขอพลาเม็ดหนึ่งนั้นแหละแล้วแกก็ตามลมหายใจสงบเลยนะฮะสงบเลยแล้วก็แกก็หลับไปทั้งที่ปวดแล้วก็ระบมอย่างไอยาการแท้ของยาคือเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างของคนธรรมดาซึ่งพอเขาเจริญสติแล้วก็ทำสมาธิภาวนาเนี่ยให้ความเจ็บปวดหรือทุกเวทนาทางกายเนี่ยมันเขาก็สามารถเอาชนะได้ เนี่ยถ้าเกิดว่าเรานึกถึงความตายหรือนึกถึงการเจ็บป่วยในระยะสุดท้ายเนี่ยบางทีถ้าเราเจริญสติสมาธิอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราสามารถประเชิรับมือกับมันได้ขั้นตอนที่เหลือที่ท่านยังเหลืออยู่ในการที่จะช่วยคนใกล้ตายนี่ก็คือการสร้างบรรยากาศแห่งความสงบและการกล่าวคำอำลา กล่าวกันตอนไหนอะตอนที่จะใกล้จะไปหรือจะลากันก่อนยังไงครับก็ราบางทีไปเยี่ยมมากอาจพรุ่งนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้แต่เราไปเยี่ยมไม่ทันอางคือการสร้างบรรยากาศความสงบนี่ก็อาจจะหมายถึงการจัดสิ่งแวดล้อมให้ดีที่ไม่มีเสียงอึกระทึกครึกโครมไม่มีคนมาล้องหุ่นล้องไห้ายนะสำคัญที่ส ำ, ทสำคัญแต่ว่าอันนี้มันก็ถ้าเป็นชาว บ, บ้านนี่ก็อาจจะไม่ชอบสงบมากๆก็ได้ชอบความพลุกพล่านสักหน่อย ราชชาวบ้านเนี่ยนะถ้ามีลูกหลานมีคนมาห้อมล้อมนี่ชอ บ, ชอบนะ uh huh. จะมาสงบแบบคนในเมืองเขาอาจจะไม่ชอบนะ uh huh. อันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามีคนช่วยเขาน้อมจิตไปสู่ความสงบได้จะดีคราวนี mm ้ hmm. เรื่องเก่าคำอัมรานี่ยทําได้ทุกเวลาหมายถึงว่าไม่ใช่รอให้เขาหมดสติก่อนในยามที่เขารู้สึกตัวเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พูดถึงความในใจถ้าเกิดว่าเรารู้ว่า ระยะของโลกเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไม่นานการที่คนที่ยังอยู่เนี่ยมาพูดกับเขาอาจจะพูดข้างๆหูพูดถึงความสึกชื่นชมในความดีที่เขาได้ทําในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ได้ขอเข้ามาขอโอสีแล้วก็ได้น้อมนาเขาให้นึกถึงสิ่งที่ดีแล้วก็บอกทางเราต้งปล่อยวางอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดทีเดียว พร้อมๆกัไปเลยได้นะแต่คนนี้เนี่ยบางคนก็ลังรอไม่กล้าพูดจนกันทั่งหมดส ต, ต, ติไปอาตมาก็คิดว่ายัางไม่สายแม้ว่าเขาจะโคม่าแล้วเนี่ยก็ อ, อย่าลืมนะว่าคนที่เขาโคม่าเนี่ยก็ยังรับรู้ได้มีหลายคนที่ตื่นจากโคมา่าเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคนพูดหมอพยาบาลพูดอะไรเขาได้ยินยังมีรายหนึ่งเนี่ยเห็นด้วยซ้ําัูใจะหยุดเต้นกระทันหันคนก็รีบพาส่งโรงพยาบาล ก็ <g år> มีการจะช่วยหายใจใช่ไหม <g år> พยาบาลก็เอาท่อช่วยหายใจเนี่ยใส่เขาาเ้าไปในปากเขาเขามีฟันปลอมมีคนเอาฟันปลอมออกก็สามารถช่วยชีวิตเขาได้หัวใจเขาก็กลับฟื้นขึ้นมาเพ <g år> รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยพยาบาลที่ถอดฟันปลอมเขาเนี่ยเด <g år> ินผ่านมาเขาทักว่าคุณใช่ไหมที่ถอดฟันปลอมผมทัางที่หลับตานะตอนนั้นเขาไม่รู้ตัวเขาโคม่าหัวใจอยู่เต้นแล้วไง พยาบาลก็งงคุณรู้ได้ยังไงบอกเขเห็นแต่ว่าเห็นด้วยอะไรตาก็ปิดใช่ไหมเจ้าค่ะสมองก็ตอนนั้นก็ถ้าจะไม่ไม่ทํางานแล้วนี่คนที่เขาโคม่าเนี่ยเขาสามารถเห็นได้แล้วบางทีรู้สึกเจ็บด้วยยังมีคนนึงก็เป็นผักเรียกว่าเกิดสโตรกก็คือว่าเซลล์ในสมองแตกใช่ไหมก็เป็นผักเพราะว่าสมองมันไม่ทํางานก็เลยเป็นภาวะที่เป็นผักมีผัก2แบบคือแบบอุบัติเหตุหรือไม่ก็ อยู่ที่ก็เสื่อในสมองแตกหมอนี่ก็บอกว่าโอกาสที่ก็จะหายโอกาสที่จะอยู่รอด น, นี่ยากแต่ว่ายังไงก็ตามเ็าได้รับการรักษาในสถาบันทางปภาษาวิทยาหมอที่มาตรวจเนี่ยมีคนก็มาทดสอบว่าเขาระเบิดไหมก็ม า, บ, บ, ม า, าบีบหัวไม่เท้าเขาบีบหัวไม่เท้าเขาบอกตอนนั้นเขารู้สึกปวดมากเลยเป็นวิธีทดสอบระบบประสาทบอกเขาปวดมากแต่เขาพูดไม่ได้เขาอยากตะโกนบอกหม อ, มอให้หยุดให้หยุด ใช่ไหมแต่ว่าเขาจะมีวิธีทดสอบความปวดเพราะว่าถ้ามีความเจ็บปวดเวลาทดสอบมันจะได้มีปฏิกิริยาที่เขาจะประเมินสภาวะใช่แต่ว่าหมอเห็นว่าคนไข้นี่เขาไม่ตอบสนองก็เลยบอกว่าเนี่ยเนี่ยนี่คืออยู่ในพาะที่เป็นผักใช่ไหมแต่เขาในสุดเ้าล่อชีวิมันได้เขาก็ไลฟ์ฟังว่าตอนนั้นเขาปวดมากดังนั้นคนที่อยู่ในเพาะโคม่าเนี่ยเขาเห็นเขาได้ยินเขารู้สึกได้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 พูดอย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะคือถ้าเชื่อแบบที่เบสนี่นะคือเขายังไม่ได้ไปเกิดพูดง่ายยัง อ, อยู่ในภาวะที่เราะ อ, อันตราพบคือพบในระหว่างระหว่างพบที่แล้วกับพบหน้าโดยเฉลี่ยประมาณสี่สิบเกาวันแล้วเขายังมีโอกาสรับรู้ได้แล้วต้องพูดบอกเป็นเสียงหรือว่าพูดในใจได้หรอะอะพูดในใจก็ได้นะพูดในใจก็ได้หรือว่าน้อมนึกถึงเขาพูดถึงเขา แล้วก็อาจจะช่วยบอกเขาตัวก็ได้ว่าให้เขาปล่อยวางอืมนะปล่อยวางสิงต่างๆเพราะบางทีคนที่ตายเนี่ยตายด้วยโดยที่มไม่ทันได้เตรียมตัวเนี่ยก็ยังมีความห่วงหาอะไรแล้วก็บางคนที่ตายใหม่ๆจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองตายบางคนไม่ทันตายเลยแต่ว่าจิตเริ่มแสดงอาการแล้วยังมีรายหนึ่งเนี่ยที่โรงพาายาบาลนครปฐมเล่าให้ฟังคนไข้นหนึ่งอายุสักหกสิบได้ทมาก็ไปเจอเหมือนกันแย่ป่วยหนาะโอ๊ย พงาพังงา่งงาอยู่น่าแต่ว่าแกเป็นคนที่ค่อนข้างจะหวงเหนียวเรื่องเงินแกให้เงินกู้ให้เงินยืมแบบคนแล้วแกไม่ปล่อยวางปรากฏว่าไอ้ตอนที่แกพังงาพังง่าเนี่ยเพื่อนบ้านเห็นแกมาทวงเขาก็นึกว่าเอ้ยคงตายแล้วมั่งถึงมาทวงอะ่ะก็รีบมาที่โรงพยาบาลอาล็รีบมาโทรมาเช็กคนป่วยยังพังงาพังง่าอยู่เลยแล้วเวลาหมอนี่บอกให้ปล่อยวางเรื่องนี้น่ะแกเครียดขึ้นมาเลย เครียดขึ้นมาเลยเงินที่ให้ยืมมันสิบปีมาแล้วนะแกยังเออยังยึดอยู่เนี่ยคือคนร้อนนี่ถ้ายังกลัวถ้ายังไม่รู้จักปล่อยวางนะโอ้คุณทุกข์นะเด็กลายเป็นตุ๊กแกจิ้งจกติดอยู่ที่บ้านเขาใช่อันนี้ยไม่ว่าจะเชื่อเรื่องชาตียิ่งหรือไม่เชื่อก็ตามเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณจะตายแล้วคุณควรจะตายอย่างสงบเนี่ยปล่อยวางนะแต่ถ้าเกิดว่าคนร้อนเนี่ยสะสมความตหนีทีเหนียวไว้เนี่ยมันเป็นนิสัยที่ปล่อยวางไม่ได้ มันเป็นนิ ส, สัยที่เข้ามาครอบงําจิตใช่ไหมเจ้าตัวอยากจะปล่อยมันก็ปล่อยไม่ได้เพราะว่ามันกลายเป็นนิ ส, สัยเหมือนกับมือที่เราชอบกําเนี่ยกำอยู่เรื่อยๆเนี่ยถึงเวลานี้มันกำเองโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราจะปล่อยมันก็ไม่ยอมปล่อยตรงนี้เนี่ยก็ต้องฝึกให้รู้จักปล่อ ย, ยรู้จั ก, กวางอย่าไปยึดติดมันเวลานะตายแล้วก็ต้องแบ่มือนั่นแหละก็แต่คนอย่นี้ไม่เข้าใจไงว่าแบ่มือนี่คืออะไรค่ะ โครงการนี้อบรมไปได้ได้กี่รุ่นแล้วเจ้าคะเป็นร้อยได้ยังเจ้าคะไม่ถึงหรอกเราก็อบรมทุกปีปีนึงก็สิบสองรุ่นนะอ๋อปีหนึ่งก็สิบสองรุ่นไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าเราแต่ก็สร้างคนได้หลายร้อยเจ้าค่ะถ้าจะดูครั้งหนึ่งก็ประมาณสาสิบคนคนซ้ำๆมาไหมคะไม่ไม่ต้องเป็นคนใหม่ท่านั้นที่จะเข้ามีจัดอบรมรุ่นสอง ก็จะยากขึ้นยากขึ้นก็ฝึกปฏิบัติให้มากขึ้นอีคือแสดงว่าจะมีคอร์ที่1ข้นตนน้นและในกลุ่มแล้วก็กลุ่มพวกนี้นาง แ, แต่ขั้นกลางนี่ปีละครั้งสองครั้งแต่ส่วนใหญ่เนี่คนต้องการขั้นต้นก็จัดทุกเดือนนี้มา2ปีแล้วแต่ก่อนนี่จัด2เดือนครั้ง3เดือนครั้งแต่เป็นมรรจัดปัญหาอุปสรรคมีไหมคะก็ปัญหาคือวิทยากรไม่ค่อยพอเพียงแก่ความต้องการ มีหมอมแล้วก็มีพยาบาลแล้วก็มีผู้ดำเนินรายการแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มมีทีม A ทีมแล้ววิทยากรนี่เป็นที่ต้องการการอบรมนี่หลายโรงพยาบาลก็อยากให้เราไปจัดไปจัดที่โรงพยาบาลเลยแล้วถ้าไม่เป็นโรงพยาบาล น, นะคะถ้าเป็นสถานที่ชมรมอะไรสักชมรมก็ได้แล้วก็ติดต่อมาที่เว็บเว็บบู๊เน็ตไปที่นี่ก็ได้หรือว่า โทรไปที่023147385เซ ม, มสิขาะไรเซมสิขาลายตรงนี้ก็จะรู้ว่าเขามีอะไรกันช่วงไหนหรือถ้าจะจัดเป็นพิเศษนี่ก็ต้องนัดเวลาซึ่งอาจจะเป็นหลายเดือนเพราะว่าอตอนนี้คิวนี้แน่นกันทั้งปีแล้วแต่ว่าบางทีเราก็มีจัดเสริมนะอันนี้ทีมบีด้มาเข้ามาแล้วทีมบีนี่มีพระอาจารย์ไว้เจ้ า, <ข>าค่ะก็มีแล้วก็มีมีวิทยากรใหม่สองสาคน วันนี้เนี่ยโครงการประชุมความตายสงบเนี่ยกิจกรรมหลักก็ในเรื่องการอบรมใช่ไหมฮะเจ้าค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มขยายออกมาเป็นเรื่อ ง, องการาอาสาสมัครข้างเตียงอาสาสมัครข้างเตียงอตอนนี้เราก็ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาเข้าไปสมัคตยังไงเจ้าค่ะก็ผ่านทางเว็บไซต์ก็เข้าทางนี้เหมือนกันควนแพนการอบรมด้วยต้องผ่านคือถ้ายังไม่เคยอบรมแต่อยากเป็นอาสาสมัคร ก็ไปที่นี่ก่อนได้แล้วก็เขาก็จะมีการอบรมพิเศษของเขาเองต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมคะเขาไม่เสียไม่เสียเพราะว่าอาสาสมัครนี้าร้อมใจอยู่แล้วแต่อาจจะเสียค่าเดินทางเขาเองไปเยี่ยมผู้ป่วยใช่ไหมใช่ค่ะเราจะมีจัดอาสาสมัครั้งเตียงนี่ตอนนี้มีเป็นรุ่นที่สามแล้วโอ้ที่จไปกี่คนคะก็ประมาณยี่สิบคนนึครั้งหนึ่งไม่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าต้องการติดตามคุณภาพด้วยก็รุ่นหนึ่งจะประมาณสามเดือนใช่ค่ะสามเดือน ซึ่งหลายคนก็พอใจทั้งคนไข้แล้วก็ทั้งอาสาสมัครคือบางทีหมดรุ่นแล้วเนี่ยเสร็จโครงการแล้วก็ยังไปติดต่อยังติดต่อไปช่วยกันอยู่วันนี้ต้องยอมเสียเวลา3เดือ น, 3 เ, อน3เดือนนี่ทุกวันไหมเจ้าคะ่ะทีละครั้งครั้งสองครั้งแล้วที่เหลือก็เป็นความสมัครใจของอาสาสมัครส่วนหนึ่งของผู้ป่วยเนี่ยคือเด็กแล้วก็มีแผนกเด็กของโรงพยาบาลจุฬาเด็กที่ป่วยหนักก็มีอาสาส่งไปเยี่ยม หือไปช่วยทํากิจกรรมสำหรับเด็กเช่นศิลปบําบัดเป็นยังไงค่ให้เขียนให้วาด้ดารู้<า>ได้ฟังได้เขาว่ารู้อาจัยการว่ารุ่เนี่ยเป็นเครื่องฝึกสมาธิของเด็กคนเราได้สร้างสรรค์นเนี่ยไม่เบือเ่อไงพวกนั้นให้ใช้สีน้ําหรือสีอะไรสีอะไรก็ได้ที่เขาต้องการแล้วแต่เขาต้องการเลยแต่ขอให้มีการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาในางานตรง น, นั้นแล้วทำไมเขาได้สร้างสรร์เจ้าค่ะใช่ไมคนเราถ้าได้สร้างสรร์อะไรบางอย่างเนี่ยที่ก็จะมีความสุข ก็เป็นมันก็คับดีเป็นงานอดิเรก ข, ของเขาแล้วก็เป็นการสร้างสมาธิให้แกเขาด้วยไปในตัวด้วยค่ะแล้วนอกเหนือจากกิจกรรม2 อ, อย่างนี้อะเจ้าคะเรามีการทําโครงการสร้างเครือขา่ยอย า, ยอขายช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายเครือข่ายช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็มีหมอมีพยาบาล น, นักสังคมสงเคราะห์แล้วก็มีพระจากหลายที่เนี่ยมาร่วมกันเป็นเครือข่ายประชุมกันทุกสองเดือน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 แล้วก็ระวังว่าต่อไปเนี่ยมันจะนําไปสู่การบรรจุเข้าไปในหลักสูตรนักศึกษาแพทย์เพราะตอนนี้เนี่ยนักศึกษาแพทย์เนี่ยไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยทั้งที่ตัวเองต้องเกี่ยวข้องกับความตายของคนไข้ของพยาบาลมีเจ้าค่ะมีใช่ไหมการที่พยาบาลผู้ป่วยมีใช่ไหมแต่แพทย์นี่ยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นการสื่อสารกับผู้ป่วยเนี่ยสุดท้ายถึงแพทย์ถึงไม่ค่อยได้ได้ดีเท่าไหร่ตอนนี้นะคะก็เวลารบควรของพระอาจารย์มา คุนข้างเยอะมากถ้าการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะดิฉันหรือทีมงานเนี่ยอาจจะมีคําพูดบางอย่างหรืออะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจารหรือใจเนี่ยอาจจะล่วงเกินพระอาจารย์ก็ต้องขอกราบขอขอมาข <อ S 1> พระอาจารย์าราารด้วยนะเจ้าค่ะจนพลอขออนุโมทนาที่ได้นําออกประเด็นนี้ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญนี่มาพูดคุยแล้วก็เผยแพร่ให้กับคนทั่วไปอัตมาก็